พระธรรมเทศนาแผ่นที่56ลำดับที่4โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2556ณวัดถ้ำเกียร์จังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าภาวนาด้วยคำว่าพุโทโธ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 ปานินอนติติวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมได้พร้อมใจกันจะทอดกระถินเพื่อสร้างใจดีของหลวงปู่เก้าของพวกเราเพื่อบรรจอุอธิษฐาน และพระธาตุของพระรหัตถ์บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพเพื่อเป็นสถานเพื่อจะให้พวกเราเป็นที่กราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายในการเสียสละทานะคือการทําทานทานะคนํานี้ทานคํานี้ อันนีสงแห่งการทำบุญทำทานพวกเราเกิดมาในพบใดชาติใดจะเป็นผู้ไม่อดไม่อยากไปนสถานที่ใดจะเป็นผู้มีศักดิ์มีสีเพราะอันนี้สงทานคุ้มครองไปนสถานที่ใดเป็นที่ยกย่องเชิดชูบูชาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างหลวงตามหาบัวเป็นตัวอยา่างหลวงตามหาบัวเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้ให้สงเคราะห์ โรงพยาบาลโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆหรือพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากหลวงตามหาบัวไปนัสถานที่ใดพี่น้องประชาชนจะให้ความเคารพกราบไหว้นับถือเลื่อมใสยอย่างสุดซึ้งเพ่อใดเพราะหลวงตาเป็นผู้ให้นะนคนที่เป็นผู้ให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเมตตาคนนั้นทันผู้นั้นจะได้รับความยอมรับ ในชุมชนและสังคมแต่ถ้าว่าผู้ใดถึงจะมั่งมีสีสุขเป็นเงินร้อยล้านพันล้านแต่ขี้ตนีถีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันไปมีแต่โลภอยากจะได้ของเขาอีกต่างหากไปที่ใดๆเขาก็กลัวกันทั้งนั้ น, นเพราะเหตุใดเพราะว่าตัวเองมีแต่อยากจะได้ของคนอื่นเขาไม่มีการเสียสละเพราะนั้นการเสียสละคนคือคนมีน้าใจ ไปณสถานที่ใดเป็นที่รักเคารพของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าใ ค, ใครๆก็อยากจะให้ไปเพราะเหตุไรเพราะผู้นั้นไปแล้วมีแต่เสียสละให้ชุมชนให้สังคมให้กลุ่มของเขาเนี่ยนี่แหละขอให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าการทานะคือการเสียสละเนี่ยการเสียสละมีอยู่สอย่างนะที่หลวงพ่อเคยยกขึ้นมาคืออามิ t h a s t h คือการทําบุญทําทานมีข้าวน้ําโภชนะอาหารผ้านุ่มหอมยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คือว่าปัจจัยสี่ทานะปัจจัย4อันที่2ก็คือวิทยาทานคือการให้ความรู้กับเขาเมื่อเขาไม่รู้วิธีขับรถอย่างนี้นะวิธีตัดผมอย่างนี้นะวิธีเย็บผ้าอย่างนี้นะวิธีทํานาอย่างนี้นะวิธีทําสวนอย่างอะไรสอนให้เขาอันนี้แล้วว่า หาวิชาอาชีพให้เขาในสัมมาชีพเขาก็เลี้ยงตัวได้อันนี้เราวิทยาทานเพราะการให้ความรู้กับเขาแล้วก็ให้อภัยทานก็คือเราไม่ถือโทษโกรธเคืองถ้าเราเขาทำํำนิทิษณ์ น, น่อยๆให้เราเราก็ไม่โกรธไม่ผูกพยาบาทอาฆาตใครเราให้อภัยอภัยทานอันนี้ก็สุขวันหนึ่งถ้าโลกทั้งโลกมีการให้อภัยกัน โลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเหมือนกันนะถ้าว่าโลกของเรามีแต่ถือโทษโกรธเคืองทําอะไรนิดๆหน่อยๆก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวโพนิสูตรก็ทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้แปลว่าไม่ให้อภัยไม่ให้อภัยกัน อ, อภัยทานไม่มีโลกทั้งโลกก็จะเดือดร้อนเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธรรมะทานก็อย่างลงพ่อหรือว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านให้แนะนําคําสอน ว่าทำอย่างนี้เป็นบาปนะทำอย่างนี้เป็นบุญนะทาอย่างนี้เกิดประโยชน์ออแนะนาสั่งสอนพี่น้องประชาชนชัตธายาธิโยมลูกหลานให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รู้จักพระคุณของบิดามารดาไวยวุฒิคุณนวุธเนี่ยอันนี้เรียกว่าธรรมทานเรียก ว, ว่าทานะคือการให้ แต่วันนี้หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำเพราะพี่น้องสัตยาญาติโยมโลูกหลานหรือว่าอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกขาวพวกชีและกับผี่ีน้องๆ อ, อย่างหลวงพ่อเป็นพวกพระผู้ปฏิบัติกิตภาวนาผู้อยู่วงในหลวงพ่อเองอยากจะเน้นหนะักเรื่องภาวนาจะมากกว่านะวันนี้นะ เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ภาวนาของครูบาอาจารย์ของหลวงปู่เก้าของพวกเราท่านแน้นําสั่งสอนหรือว่าท่านมาเป็นผู้นําในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายพี่น้องชาวอุดรของเราหรือว่าพี่น้องที่มาร่วม ง, งานในวันนี้อยากจะให้พวกเราเน้นเรื่องจิตภาวนาเพราะเหตุว่า เรื่องภาวนาคำนี้นะ่ะเป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องศึกษาเมื่อศึกษาเข้าไปภาวนาเข้าสู่จิตใจแล้วมีสมาธิในจิตในใจแล้วจิตใจของเราได้รับความสงบแล้วผ่านความสงบแล้วนั่นแหละเราจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถอนไม่ขึ้นนะเชื่อแบบจริงจังและจริงใจไม่ใช่ของหลอกๆเรื่องพระพุทธศาสนา เพนั้นหลวงพ่อเองอยากจะบอกกล่าวเพราะว่าพี่น้องชาว อ, อุดรอุดรเนี่ยเป็นแหล่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาอยู่ที่อุดรเนี่ยมีแต่พระมหาเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ขาวหลวงตามหาบัวอย่างนี้เออดังระเบิดไปทั่วทศทิยมดังไปทั่วโลกก็วาา่าได้เพราะนั้น พวกเราเป็นสิทยิ์ยามวสิทธิ์เป็นลูกเป็นหลานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองอยากจะแนะนำเหมือนกับศาสนาศาสนาทกศาสนาก็มีคุณค่าทกศาสนาแต่พวกเรานับถือพุทธศาสนาพวกเราก็จะแนะนำว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยศาสนาอื่นเราไม่ได้ศึกษาเราไม่รู้ว่าคุณค่าเป็นยังไงแต่พวกเราได้ศึกษาพระพุทธศาสนา พวกเราควรจะนี่แนหะบรรพบุพรุษของพวกเรานับถือพระพุทธศาสนาเนะื้อพี่น้องของเราพระพุทธศาสนาของเรามีคุณค่าอย่างนี้มีประโยชน์อย่างนี้มีพระคุณอย่างนี้ให้รู้จักพระคุณอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือพวกเราจะแนะนํากันให้รู้จักเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่ศ า, า, าสนาอื่นดีไหมเราก็ไม่ได้ว่ากันดี นี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเองอยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมให้ศึกษาและปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นนะเพราะเหตุไรเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาอย่างเนี้ยหลวงปู่้าวหลวงปู่น้องแซงอย่างนี้หลวงปู่บัวน้องแซงอย่างนี้หลวงปู่อ่อนอย่างนี้หรือหลวงปู่ลีอย่างนี้ผ้าแดงของเราเนี่ยหลวงปูท่ทำสหายของเราอย่างนี้หลวงปู่ก้าวของเรา ครูบาอาจารย์แถบนี้มีเยอะนะแต่ล้นแล้วจะเป็นสิทธิานุสิทธิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเทระที่น่ากราบไหว้เคารพสักการะบูชาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉนั้นพวกเราในฐานะสิทธิานุสิทธิทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวออพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่มั่นของพวกเราเพราะเหตุไรเพราะ หลวงปู่มั่นของเราเป็นต้นตระกูลแหล่าหลวงปู่เสาเป็นต้นตระกูลเมื่อท่านเหล่านั้นหลวงปู่มั่นก็ดีหลวงปู่เสาก็ดีหลวงปู่ขาวก็ดีหลวงปู่น้องแสงก็ดีหลวงปู่หลวงตามหาบัวก็ดีเมื่อท่านได้จุดตินิรพานไปอัฐิธาตุของท่านกระดูกของท่านพูดไ ง, ไง่กระดูกของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็น ต, ตาตาตาใจของพวกเรา ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกนี่ละกระดูกที่กลายเป็นพระธาตุนี่แหละคือกระดูกของพระอรหรันต์เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยคือพระอรหรันต์พวกเราเร่งเข้ามาใกล้เชิดเข้ามากราไห่งพระอรหันต์ผู้หมดจดจากกิเลสนะพวกเราควรจะภาคภูมิใจอย่างมากหลวงพ่อว่านะ เพราะนั้นพวกเราจะได้ยินเสียงทางไหนมาก็่ตามพวกเราก็ควรจะฟังฟังแล้วก็ให้สังเกตให้ใช้ปัญญาเป็นแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราหรือเปล่านี่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างนี้มันไปแนวแถวของสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไหมนี่สั่งสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราเอะใจไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราเอดใจไว้อย่างนี้ะพวกเราจะไม่หลงไม่หลงทางนะแต่าสายครูบาอาจารย์พวกอื่นก็ดีไม่ดี ยังไม่ใช่ไม่ดีเพราะวิชาในโลกนี่มีมากหลากหลายอย่างที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนกับกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามีอยู่40อย่างถ้าเราจะเปรียบเทียบวิชาอาชีพการหาเงินเ่แต่และ ว, วิชาอาชีพมีกี่อย่างมีมากเหมือนกันเป็นตำรวจก็ได้เงินเป็นทหารก็ได้เงินเป็นข้าราชการเป็นครูก็ได้เงิน เป็นพี่ภากษาอายาการก็ได้เงินเป็นพ่อค้าก็ได้เงินขายสิ่งของอีกเยอะแยะไปหมดที่เราจะขายจากนั้นก็ทําไร่ทํานาทํารัว้วทำสวนทําอะไรก็ได้เงินทั้งหมดที่เราจะไล่ไปเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดในการหาเงินการทํางานท่านั้นได้เงินใช่ไหมใชยได้เงินอันนี้ก็เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้ถ้าว่าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนอ ยุบหนอพองหนอนะถูกไหมถูกเออแล้วก็กำหนดตูวกายนะเคลื่อนไหวกายนะถูกไหมถูกกำหนดตูวจิตจิตเราคิดเรื่องอะไรขณะนี้ถูกไหมถูกเออแต่ว่าที่ผู้สอนในกลุ่มของเราใกล้ๆเรานั่นก็คือหลวงตามหาบวัวพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านสอนว่าหลวงปู่มั่นของเราให้สอนให้ภาวนาพุทโธเนฮะอันนี้จุดนี้เราต้องฟังแล้วจ้เนี่ครูบาอาจารย์องค์อื่นท่านสอนก็ใช่มันไม่ผิดหรอกสรุปแล้วก็คือถ้าเราศึกษาภายในเข้ามาศึกษาอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกได้เลยว่าครูบาอาจารย์จะแนะนําสั่งสอนเรื่องอะไรก็ตามตั้งอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมไม่เหนือออกจากไม่นอกเหนือออกจากนี้ ถ้าเนิรสอนออกไปนอกจากนี้ไปแล้วผิดนะกายก็คืออะไรการยุบหนอพองหนอเลยเ อ, อะไรเอาร่างกายใช่ไหมยุบหนอพองห น, อน่อเอาร่างกายเป็นผู้กําหนดใช่ไหมใช่อันนี้ว่ากายยานุ ป, ปั จ, จนาจติปัฐานเลยแล้วว่าการเพ่งดวงแก้วเข้าไปอยู่ในท้องอย่างนี้เพ่งไว้ที่ไหนภายในท้องในท้องของเราเป็นไรเป็นกา ย, ยกายเหมือนกายยาหนุ ป, ปั จ, จนาจติปัฐา น, นแล้วทีนี้ เมื่อพิจารณายกแขนขึ้นมาแลา้วก็ให้มันหวั่นไหวให้มันมีเวทนาอันนี้แค่ว่าให้รู้สึกให้รู้สึกในการยกแขนยกขึ้นยกขึ้นย ก, กลงให้มีเวทนาอันนี้แห ว, ว่าเวทนานุ ป, ปัฏฐนาสติปัฏฐานถ้ารู้จิตใจของเราใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้ใจของเราคิดไปในทางไหนกำหนดดูจิตของตนเองสิ อันนี้ว่าจิตตานุปัจจนาจติปัฐานแล้วห้ดูอารมณ์ที่มากระทบจิตดูซิถ้าอารมณ์ดีเข้ามาเรามีความรู้สึกยังไงถ้าอารมณ์ไม่ดีเข้ามากระทบจิตเรามีความรู้สึกยังไงอันนี้เราว่าทำมานุปัจจนาจติปัฐานนี่แหละพวกเราถ้าเราได้เรียนได้ศึกษาแล้วเราจะไม่หลงทางนะคณะาจาทย์ญาติโยมลูกหลานถึงจะแนะนําสั่งสอนมาอย่างไร พวกเราก็จะเปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะเหตุใดเพราะการแนะนําสั่งสอนกรรมฐานมีอยู่4อย่างเท่านี้แหละกายานุปัฏฐานเวทนนาปัจิตตานุปัฏฐานธรรมานุปัฏฐานแต่หลวงปู่มั่นของพวกเราเนี่ยท่านให้กําหนดกายานุปันาติปฏฐานคือกําหนดกลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกเวลาก้าวขาขาขวารู้ว่าขาขว า, ข า, ข, วาขาซ้ายก็รั่วขาซ้ายเดินยจงกร ม, กมแต่ท่านบวกเขาอีกนะอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าเรียกว่าอาณาปานสติลมหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าและหายใจออกแต่หลวงปู่มั่นท่านให้บริกรรมพุทโธด้วยนะสำทับพุทโธด้วย เพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าเรากำหนดธรรมดานะมันหลงมันลืมมันเผลอได้ง่ายเพราะท่านๆจึงให้กำหนดเวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถหายใจเข้าพทหายใจออกโทพดโถพดโถเวลาเดินก็เหมือนกันถ้าเดินเนี่ยมันการเคลื่อนไหวแล้วจะเป็นพดโถในจมูกของเราเนะี่ยในปลายจมูกของเรามันไม่ได้มันจับสม ท่านให้ บ, บริกรรมขาขวาถึงขาขวาพดขาซ้ายโถพดโถแต่ถ้าเมื่อเราทำการทำงานจะเป็นทำงานทำการอะไรก็ตามให้มีสติอยู่กับตนเองการเคลื่อนไหวของตนเองในขณะนี้เราเคลื่อนไหวเรื่องอะไรเราทำอะไรมีสติสัมปชัญญะในการเคลื่อนไหวของตนเองถ้าเมื่อเราพูด เราก็ให้มีสติสัมปชัญญะในการพูดของเราเราพูดเรื่องอะไรให้มีสติสัมปชัญญะในการพูดนี่แหละฉลกแล้วก็คือให้มีสติในการเป็นอยู่นี่แหละวิธีการเบื้องต้นแต่เรามาเปรียบเทียบกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเถอพระพุทธเจ้าที่ท่านออกไปจากเวียงวังออกจากกรุงกบิลพัท ไปศึกษาไปอยู่ในป่าไปปวดที่แม่น้ำอโนมาณทีเขตแขวงกรุงราชสุ์นะจากกรุงกบิลพทัทถาพวกเราได้ไปอินเดียนะแล้วกเ็เราจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้ามาบเพ็ญศีลธรมมาบาเพ็ญที่ไหนถ้าท่านไปบาเพ็ญอยู่ที่แม่น้ำอโนมาณทีเขตแขวงกรุงราชสุ์ ท่านไปบําเพ็ญอยู่ที่นั่นถึงหปีฮนะไปทั้งหปีที่อยู่เขต ท, ที่แม่น้นํามโนมาเขตพุทธคยาท่านกับนี่แหละผลในสุดวันที่ท่านได้สําเร็จหรือ ว, วันที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทำอย่างไร อ, อันนี้พุทธประวัติท่านบอกชัดเจนเลยว่าในวันนั้น พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่อัดฉลองไม่ตกดินนายโสติยะได้ไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็เดินผ่านมาหญ้าคาเนี่ยไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมาเห็นสิทธทาตั่งอยู่ตามลำพังท่านโสติยะก็เลยนำหญ้าคาเข้าไปถวายแปะกำมือในเมื่อสิทธทาท่านได้หญ้าคาแปะกมือ ท่านก็ได้ยาคามแล้วก็ประสานกันหัวหางหัวหางนั่งสลับกันจากนั้นก็เกลีย่ยลงที่โคลนต้นโพนะแล้วก็หันพระพักไปทางทิศตะวันออกชนะัดเจนขนาดนั้นและพุทธประวัตินะพอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วท่านกนนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นนะฟังดูซิอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าและกรรมฐานสิทธัทธาที่คืนที่วันเดือน6กเพนที่ท่านจะได้ตัดรู้ในวันนั้นในเมื่อท่านพระองค์นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านกดกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพระไทยหรือใจของพระองค์ รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรนะัศนะเกิดฌานขึ้นมาล้ำลึกชาติผลหลังได้ยังว่าปุพเพเนวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยนะข้าพเจ้าทายาธโยมลูกหลานทุกคนนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเ อ, อถ้าว่าตายแล้วสูญนะจะละ้ลึกชาติผลหลังได้อย่างไงที่ล้ลึกชาติผลหลังได้ก็เพราะว่าตายแล้ว เออแล้วเกิดตายละเกิดตายล้เกิ ด, แ ล, กดและตายละเกิดเออมีอดีตชาตเิเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงว่าปุเพเนวาสานุสติญาละลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วมาจากไหนมาจากไหนมาถึงที่นี่พอถึงเที่ยงคืนพระองค์นั่งสมาธิพระฒนยใจของพระองค์อย่างแน่วนิ่งจากนั้นพระองค์ส่งจิตไปดูคนอื่น อ, อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่ เป็นร้อยคนน่ยสองสาร้อคนเน่ยพระองค์ก็ส่งจิตไปคนนี้มาจากไหนทําไมไม่เหมือนกัน อ, อแหมรูปร่างก็ไม่เหมือนเหมือนกันสติปัญญาก็ไม่เหมือนกันบุญวาศรนาบา ร, รมีก็ไม่เหมือนกันหน้าที่ตําแหน่งก็ไม่เหมือนกันทําไมเกิดมาเป็นคนจึงไม่เหมือนกันพระองค์คนรู้ดูไปอีกดูดูดูดูดูดูไปแห้คล้ายว่าดูไปหาต้นต่อมาจากไหน แต่ละปิญญาเ น, นี้ยท่านว่ามาจากกรรมกรรมคือการกระทําถ้าว่าผู้ใดคิดดีทดําดีพูดดีผู้นั้นก็จะได้ไปสู่ความสุขความเจริญถ้าว่าคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วคนนั้นก็จะตกต่ําเพราะเหตุอะไรที่เป็นคนพิกลพิการเพราะกรรมอันไหนเขาทํากรรมอันไหนไว้เพราจึงเป็นอย่างนี้ คนนี้เฉลียวฉลาดขึ้นมาพเพราะกขาทกากรรมอะไรเขาจึงเป็นคนเฉลยวฉลาดอย่างนี้คนที่ร่ํารวยอย่างนี้เพราะอะไรนี่แหละพระ อ, องค์จริงพระพุทธองค์จึงวันดูแล้วว่าพอถึงเที่ยงคืนท่านดัวกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นพระ อ, องค์จริงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอัคตังดุกตังเสยโย ป, ปัตชาตะปฏิทุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อพวกท่านทั้งหลายทำแล้วกรรมชั่วนั่นแหละจะพานาไปสู่ความทุกข์เ อ, อความทุกข์ความหายนะความไม่พึงปรารถนาต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายทำแต่กรรมดีคิดดีทดําดีพูดดีเมื่อคิดดีทดําดีพูดดีแล้วความดีนั่นแหละจะพาพวกท่านไปสู่ความสุขความเจริญมีแต่ความสุขกายสบายใจต่อไปในอนาคตเนี่ย อันนี้แหะคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้มาพูดถึงย้อนมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทีนี้ท่านให้นั่งภาวนาแล้วทีนี้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธแล้วแล้วท่านให้ทํำยังไงต่อไปนี่อันนี้พวกเราศึกษาแล้วนะทีนี้ตามแนวแถวขององค์หลวงตาเนี่ยท่านหลวงตาท่านบอกว่าท่านเขาไปศึกษาน้ําหลวงกับหลวงปู่มั่นใหม่นะ พ่อเข้าไปทีแรกนะ่หลวงปู่มั่นเขาว่าเออมหาบัวท่านมหาออการศึกษาของท่านได้เรียนมาจนถึงมหาให้เอาใส่ในตู้ในหีบไปก่อนนะอย่าเอามาใช้ในขณะ น, นี้ไม่เกิดประโยชน์ถ้าเอามาใช้มาเปรียบเทียบการนั้นเดี๋ยวมันจะสับสนให้ภาวนาพุทธโธนะออให้ภาวนาพุทธโธนะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธนะแต่กำหนดเฉยเฉยไม่เพียงพอ ไม่เพียงพอมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายต้องสำทับด้วยพุทโธด้วยนะขาขวาพุทขาซ้ายโธแล้วก็บริกรรมพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกเวลานั่งภาวนาเนี่แหละหลวงตามหาบัวท่านก็ทําตามทามําตามหลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าโอวันแรกเนมันเอาไม่อยู่จริงๆกําหนดลมหายใจเข้าดูใจของตัวเองให้มันอยู่กับปลายจมูกเนี่ยมันเผลอพลับไปพรับมาพรับ แหวาเป็นเรื่องที่เออเหงื่อแตกทีเดียวเรางั้นเนะ่ยบังคับใจให้อยู่กับกรรมฐานนะเนี่ยพอวันที่สองที่สามที่สีเข้ามาเอาอยู่ได้ทํำอยู่หมัดเลยทีเนี่อพออยู่เข้าไปทีนี้ก็รู้ได้เลยจิตใจรวมสงบเลยโอ้จิตใจรวมสงบแน่นเลยทีนี้เอไม่เผลอเลยทีนี้นี่แหละ สรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการบังคับนะคณะจตหาญาติยโยมลูกหลานทุกคนนะการภาวนาเนี่ยต้องอาศัยบังคับตนเองในเมื่อเราบังคับพุทโธพุทโธอยู่แล้วนีเอ่ยเน่งแล้วไงเอ่ขาขวาพุทขาซ้ายโถเวลาปัดกวากับเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโถมีสติสัมปะชัญญะในทุกอริยาบทไม่ให้เผล อ, นะอคล้าเราหมกเรามาภาวนาใช่ไหมแหมผัวในสุด ก็ไปกราบหลวงปู่มั่นพอจิตใจรวมสงบนิ่งดีแล้วไปกราบท่านเป็นไงมหาภาวนาโอ้จิตใจสงบดีมากครับผมจะนั่งทั้งคืนก็ได้นั่งทั้งคืนก็ได้ไม่ไปที่ไหนเลยมันนิ่งตลอดเลยนั่งทั้งคืนได้ครับหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอ้ยเมื่อสงบแล้วก็ให้นํามาพิจารณานะออกทางวิปัสสนานะให้พิจารณา ร่างกายนะพิจนารณาเกสาผมโงมาขวดนักคาแลตันตาฟันตะโจหนงังพิจนารณาเอ็นเนือเอ้ออาการ32สองตับไตลำไส้ปอดอะไรลักษณะอย่างนั้นแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายดูนะอย่าให้มันอยู่นิ่งเฉยเฉยดวงตามหาบทท่านไปนั่งภาวน า, น บ, าบังคับแต่มันไม่ออกเท่นี่เพราะมันติดสุขในสมาธิทันวาเนะนี่แหละ จุดนี้แหลจุดหนึ่งแหละซัมทีส่สาคัญแต่บางท่านบางคนเวลานั่งภาวนาแล้วออพอจิตสงบแล้วมันจะออกเป็นสมามันจะออกเป็นวิปัชนาเองอย่าหวังนะท่านวานนั้นนะมันได้เป็นบางคนเท่านั้นเองถ้าบางคนอนะ่ะเป็นพวกคิบ ป, ปะพิญยาพวกรู้ในเร็วนะออกไปได้เราไม่ว่ากันท่านวานนะพอนั่งภาวนาจิตสงบแล้วนํามาพิจารณามันตลกออกไปข้องมันเลยเใช้ปัญญาพิจารณาเลยอันนั้นเราบอกพวกพคิบปะพิญยา พวกรู้ไดเร็วแต่พวกทันทาปัญญาพวกรู้ไดช้าเนี่ยต้องบังคับนะาเท่านะั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคะนารศศัตธาญาตโยมลูกหลานทุกคนเนี่ยเวลานั่งภาวนาเมื่อกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่นิ่งนะงจิตใจมีความสุขในสมาธิจิตใจนํามาสมาธิก็เหมือนกังเราเข้าไปนอนในห้องแอร์ลักษณะอย่างนั้นนะเย็นสบายมีความสุข ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรแต่มันไม่ได้อะไรนะไปนอนอยู่ในห้องแอร์มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้เงินมันไม่ได้ทําอะไรมันเป็นนอนอยู่เฉยๆทั้งวีทั้งวันเออ่ยแต่นี้ก็หลวงปู่มันออย่ามันให้อย่าให้มันสงบเกินไปซินํามาพิจารณาออกทางวิปัสสนาบ้างแต่หลวงตามหาบัวถามว่ามันไม่ออกไม่ออกหลวงปู่มันก็ได้ขู่ทั้งสองสามครั้งไง อันนี้ก็คือนแนวทางที่หลงตาเคยพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอันนี้มายย้ำให้พวกเราได้ฟังอีกที่หนึ่งผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้เพราะว่าหลวงพ่อเองก็ได้ยินมามากหลายคนบอกว่าเวลานั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วมันจะเป็นวิปัสสนาเองอย่าหวังถลวตาบอกอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฟังเอาไว้เรื่องสมาธิก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเมื่อจิต รวมเป็นสมาธิแล้วทีนี้หลวงปู่มั่นให้หลวงตามหาบวช ท, ท่านกับครูดุหลวงตามหาบวช ท, ท่านบอกว่าสมาธิความสุขในสมาธิเนี่ยเหมือนกับเนื้อติดฟันเท่านั้นเองเออเอาว่าเนื้อติดฟันมันไม่ได้อะไรมันเไมเ่มีรสมีชาติอะไรต้องวิปัสสนาสิเนี่ยต้องนึก ต้องเอานำมาพิจารณาสินี่แหละลงตาท่านก็บังคับทนอออกมาทางวิปัจนาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเ่ท่านกับดูสินะ่ร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าจากนั้นก็มาดูพิจารณาร่างกายทน กระโหลกศีรษะคือไม่ให้มันมีเนื้อหนังเอ็นกระดูกให้มีแต่โครงกระดูกของตนเองเท่านี้กระโหลกกระโหลกศีรษะกระดูกคอกระโหลกกระดูกหน้าเบ้าตาขากรรไกรกระดูกฟันให้มีแต่กระดูกเหมือนเราไปเห็นกระดูกที่ไหนเราก็ให้ยืนดูสังเกตดูข้าพไปเจ้าคงจะเป็นกระดูกอย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละจากนั้นกระดูกไหปาระกระดูกคอกระดูกแขนขวาแขนซ้ายกระดูกฝ่ามือ จากกระดูกหลังกระดูกชี้โคง้งลงไปกระดูกเชิงการกระดูกข า, าซ้ายขาขวากระดูกหัวเข่าซ้ายขวากระดูกแข่งกระดูกฝ่าเท้าจากนั้นก็ย้อนกลับขึ้นมาอีกนี่แหละอันนี้เริ่ม อ, ออกทางวิปัสสนาแล้วนะถึสรุปแล้วคือวิปัสสนาก็คือวิปัสสนึกนั่นเองนะเอนึกคิดไปก่อนแต่ว่าความนึกคิดจุดนี้นะ่ะ ถ้านึกคิดธรรมทานะเป็นสัญญากระสังขารมันอีกแนวหนึ่งนะพวกเรานะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานนะสัญญากระสังขารมันอีกแนวหนึ่งแต่ว่าถ้าปัญญาเนี่ยเมื่อเราเพิจารณาด้วยปัญญาใจของเราจะนิ่งเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วเนี่ยใจของเราผ่านความสงบผ่านความนิ่งมาแล้วอแต่ว่าความนิ่งคํานี้หลวงพ่ออยากะอธิบายให้ฟังอีกเหมือนกันนะสมาธิคํานี้นะ่ยมันนิ่งขนาดไหน หลวงพ่อคำอวันนิ่ง ใ, ใครวันนิ่งกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกใจของเราจะนิ่งสงบพอสงบบางครั้งมันคล้ายๆกับมันจะว่าเย็นวาบในใจอันนี้เรียกว่าคณิกาแต่มันไม่ไม่อยู่ไม่นานนะ เียแต่มันเชอะชาบช่วยโอกาสมาหน่อยเดียวมันฉาบเข้าไปมันแต่มันเย็นพิษปกติของใจแต่ก่อนเราไม่เคยอย่างนี้เลยแต่ก่อนเราไม่เคยภาวนาเราจะไม่เคยเห็นอย่างนี้แต่พอเราภาวนาเอาจริงเอาจริงเนี่ยมันจะเย็นว่าบเข้ามาในใจมีความสุขจริงๆแต่เราก็พยายามอยากใจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นนะแต่เราเอาเถอะเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเรากําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดานี่ยละ มันจะว้าบอเองอมันจะเย็นมันจะมีความสุขอันนี้แล้วว่าคณิกะสมาธินะเริ่มเป็นสมาธิแล้วนะออแต่เราจะตั้งหรือไม่ตั้งชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ในหลักธรรมคําสอนท่านว่าอย่างนั้นนะให้พวกเราเหีนรู้เอาไว้วันนะี้คือคณิกะสมาธิในเมื่อกําหนดลมหายใจเข้าออกจิสัมปชัญญะของเราเรารู้ว่าใจของเราลึกคิดเรื่องอะไรขณะนี้เดี๋ยวนี้เราปรุงเรื่องอะไรเราคิดเรื่องอะไร เรากําหนดถึงเรื่องอะไรอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคือทําจิตใจให้สงบในระดับหนึ่งแต่ว่าเรารู้ได้ว่าใจของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิแต่เมื่อเรากําหนดใจของเราอีกให้มันอยู่อีกไม่ต้องให้มันคิดอีกให้อยู่กับกรรมฐานอีกจิตใจจะรวมสงบ ลงไปขราวนี้เนะี่ยเหมือนกับเราตกเขวตกบอ่อหรือว่ามีสิ่งที่มันผิดปกติในใจของเราเวามหรือวิวรักษาอย่างนั้นแหละแต่มันลงไปอยู่จิกน่งพอเนี่งแล้วสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นแต่สติกับจิตที่ไม่ส่งออกมาทางกายนะ ถึงจะมีเสียงฟ้าร้องจะเสียงอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นท่านนั่งสมาธิได้ทั้งคืนคือจิตประเภทนี้แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิไม่รับรู้ทางกายกายไม่จะเจ็บจะปวดไม่รับรู้มีแต่สติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนิ่งดูได้ชัดเจนอันนี้ระหว่างจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแต่ไม่ส่งออกมาทางทางตาทางหูโดยมากทางหูเนะ่ยทางตาเราก็หลับอยู่แล้ว แต่ทางหูเนี่ยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอแต่มีสติกับจิตเท่านั้นอันนี้แล้ว ว, ปปลปปล ว, ว, ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเอจิตจุดนี้แหละจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่แหละเอผู้ที่ภาวนาที่ว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิเนี่ยเชื่อมั่นในตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเชื่อมั่นเลยไม่ต้องถามใครเลยเพราะเหตุอะไร เพราะร่างกายของเราเห็นได้ชัดว่าร่างกายใจก็คือใจสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรรมนเหมือนกับคนขับรถนี่แหละถ้าเราจิตสงบถึงอย่างนั้นลงไปแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่ารถกับคนขับรถเนี่ยเป็นคนละอันกันแต่รถคันนี้จะไปได้เพราะอาศัยคนขับคือใจเท่านั้นจะบังคับ ใจให้ไปในลหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายท่านว่ามโนปุกพังขมาธรมมามโนเสถามโนวายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพทุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องรถเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถถ้าจะเปรียบเทียบว่า รถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าแล้วมันจะไปที่ไหนโซเฟอร์เป็นผู้พามันไปเป็นผู้ขับมันไปรถคันนี้มันจอดไว้ที่ไหนมันก็จอดอยู่ที่เก่านี่แหละนีะ่ที่หลวงพ่อพูดอยนี่แหลคือใจนี่แหละเป็นผู้พานํานำร่างร่างกายให้พูด น, นี่แหละท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายจากนั้นเมื่อเราพิจารณาดูแล้ว เมื่อผ่านความสงบแล้วนันเอาตัวโซเฟอร์นั่นแหละนำมาพิจารณามาแยกมาแยกดูรถถอะ่รถของเรามีอะไรบ้างมีตามีล้ อ, อมอีสายพานมีคาบงคาบิวอะไรโซเฟอร์จะต้องดูดูรถว่ามันมีอะไรบ้างนี่แหละแยกดูรถของตอนเองนี้ก็เหมือนกัน พขาพ่ทเจ้าให้มองให้มองดูให้แยกคัดแยกดูธาตุขันร่างกายในร่างกายของเรามีอะไรบ้างพอในสุดในเมื่อเราพิจารณาร่างกายทุกส่วนแล้วเทนโซเฟอร์ก็ต้องมาดูตัวเองร่างกายนี่นะอีกสักวันหนึ่งต้องตายแน่นอนต้องแตกสลายแน่นอนต้องสู่ดินน้ำลงไฟแน่นอนต้องเอาขึ้นสู่เมนเผาแน่นอนแต่ขนาดร่างกายของเรา ยังไม่ใช่ของเรายังไม่เป็นของเราแต่ส่วนอื่นจะเป็นของเราได้ยังไงใจอย่าเป็นหลงนะใจนะทีนี้บอกใจของตัวเองนะทีนีใจอย่าไปหลงนะถ้าขนาดร่างกายของเราแท้ๆเรา จ, จะไปเผาเขาจะไปเผาไฟทิ้งอยู่สามีภรรยาลูกหลานยศถาบรรดาศัพดิ์เงินคำทรัพย์สมบัติ ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นของเราได้อย่างไรใช่ไหมใจมันเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจและนะทเในเมื่อพิจารณาจอนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเกิดวิ่งเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจใจนั่นแหละเป็นหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจากนั้นก็เอาสติปัญญาเข้ามาพิจารณาใจใจอย่าไปหลงนะอย่าไปหลงสิ่งทั้งภายนอกนะขนาใจของตนเองก็ยังไม่ให้หลงอีกทเน เ, เห็นใจของตัวเองมันคิดอะไรดุเด็ดดุเด็กดุเ ด, ด, ดคิดดีคิดชั่วคิดออพอใจไม่พอใจดีอกดีใจอยู่ในใจิตในใจของเราลึกๆในเมื่อมีสติสัมปชัญญะแต่ว่าสติตัวนี้ไม่ใช่สติธรรมดานะหลวงตาท่านตั้งชื่อว่ามหาสติมหาปัญญาทีเดียวละทนมาดูตัวนี้มาดูใจมาดูตัวผู้รู้เนี่ยนี่นแหละผลในสุดเมื่อเราเพิจารณาด้วยเหตุด้วยผล รู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันสิ่งทั้งหลายต้องปวงออกไปจากใจทั้งหมดทีนี้มันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นเพราะฉะนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้พิจารณาดูดูที่ใจเบื่อหน่ายคลายที่ใจใจของเราจะหลุดพ้นจากอาสวัคิเลสทีทนี้เพราะเราเกิดความเบื่อไปยึดไปกระเท่านั้นไปยึดภายนอกไม่ใช่ของเราจะไปยึดทำไมนี่แหละ รักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นเรื่องที่ใหญ่สําเร็จแล้วด้วยใจเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็คือใ จ, ใ จ, อจใจของพระพุทธเจ้าใจของพระรหันใจของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นขอให้คณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนเนะี่ยหลักวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการภาวนาอย่างแต่หลวงพ่อได้พูดว่า หลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ท่านตัดสู้อย่างไรแล้วหลวงปู่มั่นท่านนำทั้งคาสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้กับท่านอย่างไรแล้วท่านได้นาสั่งสอนสิทธิจากุกสิทธิ์ของท่านอย่างไรนี่แหละขอให้พวกเรายึดเป็นแนวแถวสายของของหลวงปู่มั่นเมื่อหลวงปู่มั่นจุตุนิพพานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ได้จุดตินิ涅槃ได้มรณะภาพาลงไปแล้วพวกเราได้พระราชทานเพลิงหรือได้ไปชุมเพลิงชรีละของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้กับพวกเราได้เห็นตําตาจําตําใจของเราเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะเชื่อมั่นในธรรมคาสอนของครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราพวกเราน่าจะภาคภูมิใจ อ, อย่างสุดซึ้งเพราะว่า พวกเราได้อยู่ได้เห็นพระอาหารหันต์นี่ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะีคือกระดูกของพระอาหารหันต์กระดูกที่กลายเป็นพระาธาตุเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราหน้าจะภาคภูมิใจนะคณะรัตยาญาติโยมลูกหลานโดยเฉพาะออย่างยิ่งพี่น้องชาวอุดรของพวกเราขนาดหลวงพ่ออยู่ต่างจังหวัดหลวงพ่ อ, อยังมาอยู่กับพี่น้องลูกหลานชาวจังหวัดอุดรด้วยความรักเคารพในพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสุดซึ้ง เพราะนั้นวันนี้ก็วันหนึ่งละวันพุ่งนี้ก็จะมีการทอดกระถินสามัคคี เ, เพื่อจะสร้างเพื่อจะปิดยอดพระเจดีย์ของหลวงปู่เก้าให้สำเร็จจบลงไปจะเป็นบุญเป็นกุศล ส, สำหรับพวกเราอย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปุญญานิปะโลกัดสมิงปฏิทถาโหนติ ปลานี่นันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัพพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งโลกนี้ถ้าคนมีบุญได้ทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้บุญกุศลกดจักคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายในเมื่อพวกเรายังไม่พ้นทุกข์ยังมีกิเลสอยู่ยังไม่พ้นทุกข์ยังไม่หมดจดยังไม่บริสุทธิ์บุญกุศลตัวนี้ที่พวกเราได้ทําไปแล้วนี้ จะจะเกื้อกุญหนุนพวกเราไปสู่ปรโลกภายภาคหน้าเพราะฉะนั้นบุญจะคุ้มครองทั้งโลกทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากที่เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็เมืองไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ปติรูประเทสวาโซจ่เกิดในประเทศอันสมควรคือประเทศไทยที่มีพระพุทธศาสนาปุเพจักรตะปุญยตาพวกเราคงได้ทําความดีไว้ในอดีตชาติยังได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยอัตตะสัมมาปณิธิให้พวกเราตั้งตนไว้ชอบเมื่อเราเกิดมาในสถานที่ดีแล้วสถานที่เป็นบุญเป็นกุศลแล้วให้พวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมแต่คุณงามความดีเกิดถ่าเราออกจากชาตินี้ไปแล้วนะต่อไปภายภาคหน้าชาติหน้านะพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะบุญกุศลที่พวกเราได้ทำในคราวนี้ครั้งนี้จะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราไปสู่ปัลโลกภายภาคหน้าเพราะชีวิตของพวกเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมี อ, อ, อำนาจวาดสนาอย่างองหลวงตาของเราหรือเจ้าพระคุณจมเด็จพระสังฆราชท่านก็ได้ชิ่นพระสนลงพระชนลงไปเพราะเหตุไร น, นี่แหละไม่ว่าชาติชั้นวรรณะสูงต่ำขนาดไหนไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้เรื่องมละภัยแต่พูดทางนี้ทางนั้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันไม่ใช่น ะ, ะเป็นแต่ชี้ให้ดูว่าความตาย เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมีกับทุกๆคนเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมบูรณ์กุศลเอาไว้ตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนออร่างกายเนี่เหมือนกับรถงานรถเนี่เข้าไปอยู่พงหญ้าแน่แต่โซเฟอร์ออกจากรถนะออกจากรถแล้วก็มีเงินไหมโซเฟอร์มีเงินไหมถ้าโซเฟอร์มีเงินโซเฟอร์ไปซื้อรถขัดใหม่ได้สวยกว่าเก่าอีกดีกว่าเก่าอีก เพราะอะไรเพราะโซเฟอร์มีเงินแต่ซาวโซเฟอรออ์ไม่เชื่อในบุญไม่เชื่อในบาปไม่เชื่อในบุญกุศลตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรและไม่ได้สร้างคุณงามความดีมีแต่รมแต่กรรมชั่วกินเหล้าเมายาเที่ยวสม เ, เทธเทเมาเไม่ได้ใฝ่ในการกุศลนี่แหละดวงวิญญาณ น, นั้นออกจากร่างออกจากรถขันนัทไปแล้วนะไม่มีเงินจะทำํำยังไง ดวงวิญญาณนะั่นก็จะตรงรับตกทุกข์ได้ยากต่อไปเพราะฉะนั้นพวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับว่าเป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีอย่าให้พวกเราที่เป็นผู้มีบุญเป็นผู้โชคดีอย่างนี้นะอย่าทําให้อับโชคนะอย่าให้ทําให้เสียโชคเสียชาติเกิดนะไว้ในพร้อมให้พวกเราตั้งตนประกอบคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดี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 บุตรมลมีของเทพพระเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปรารถนาทกุกทกท่านด้วยเธิน